อีกอย่างหนึ่งบุคคลเป็นผู้ไม่ถือโกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรีไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่กระด้างไม่ถือตัวจัดไม่ปรารถนาลามโมกไม่มีความเห็นผิดไม่ถือทิฏฐิของตนไม่มีความถือรั้นมีความสละคืนได้ง่ายก็คือเป็นผู้บอกสอนง่ายเนี่ยนะบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่เป็นที่รังเกียจพระอริยอริยบุคคลทั้งหมดรวมทั้งกัลยาณปูตุชน เรียกว่าผู้ไม่เป็นที่รังเกียจนะพระรยะทุกองนะแล้วก็กาลยาณาุูตุชนปุ้ตุชนคนดีทั้งหลายก็ไม่เป็นที่น่ารังเกียจอันเรียกว่าผู้ไม่ขนองไม่เป็นที่รังเกียจแล้วก็เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดวาจาส่อเสียดนะก็มาฟังว่าผู้ที่มีวาจาส่อเสียดเป็นยังไงแล้วจะรู้จักผู้ที่ไม่ส่อเสียดว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาจาส่อเสียด สอเสียดก็คือพูดให้เขาแตกร้าวกันเนี่ยนะว่าฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนหมู่นูน้นเป็นผู้ทําลายคนที่พร้อมเพียงกันเรียก ว, ว่าบางช่างยุบางช่งา ง, ชงแย่นะชอบยุชอบแย่เนี่ยนะเห็นร้าวหน่อยหนึ่งก็เอาช่องแล้วนะผู้สักใดเรื่องนะชอบแงะชอบงัดผู้สัเขาแตกแยกกันหมดอนะ พัรพวกนี้ก็ทําลายผู้ที่พร้อมเพียงกันสนับสนุนคนที่แตกแยกกันชอบผู้ที่เป็นกกกันยินดีผู้ที่เป็นกกกันพเพลินผู้ที่เป็นกกกันเป็นผู้กล่าววาจาที่ทําให้เป็นกกกันนี่เรียกว่าความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดนนะอีกอย่างหนึ่งบุคคลเนี่ยย่อมนาคำส่อเสียดไปด้วยเหตุสองประการนะคนที่ส่อเสียดนะพูดให้เขาแตกร้าวกันเนี่ยด้วยเหตุสองอย่างคือด้วยมุ่งหมาย ปรารถนาจะให้ตัวเนี่ยเป็นที่รักอย่างหนึง่งแล้วก็ประสงค์จะให้เขาแตกแยกกันบางคนถ้าเป็นพูดทั่ ว, วไปนะที่ไปพูดว่าร้ายคนอื่นให้เขาแตกแยกกันก็คือเสนอให้ตัวเองเป็นที่รักแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอะไรเป็นต้นมาเนี่ยนะถ้าเขาแตกแยกกันให้เราจะรวยแม้กระทั่งในสงครามก็เหมือนกันถ้าฝ่ายโน้นแตกแยกกันเมื่อไหร่ฝ่ายเราก็ชนะเรียกมุ่งทําลายอย่างเดียวมุ่งให้เขาแตกอย่างเดียวอธิบายว่าคําว่า บุคคลนำคำสอเสียดไปด้วยทําความมุ่งหมายให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเนี่ยเป็นอย่างไรคือบุคคลนำคำสอเสียดเข้าไปด้วยมุ่งหมายคือให้ตนเป็นที่รักอย่างนี้ว่าเราจักเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นผู้สนิทเป็นภายในเป็นที่ดีใจของบุคคลนี้บุคคลนี้เรียกว่านำคำสอเสียดไปให้นะก็คือถ้าเราอยากจะให้คนนั้นน่ะชอบเรานะซึ่งเขาอะปกติเขาชอบคนอื่นอยู่ใช่ เาชอบนเราก็พูดให้เขาแตกกันซะถ้าเขาแตกกันเมื่อไหร่เขาต้องชอบเรานะวิธีนี้ก็ก็นิยมใช้กันไม่น้อยนะในในวงการหนุ่มสาวเป็นต้นเนี่ยหรือวงการค้าขายวงการอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยก็นิยมใช้วิธีอันนี้เข้าไปคือให้เขาแตกแยกกันซะเมื่อเขาแตกแยกกันเขาก็ต้องมาซอบเรานะเขาก็ต้องมายอมรับเรามานับถือเราเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เขาแตกกัน ต่อไปว่าบุคคลเป็นผู้มีความประสงค์จะให้เขาแตกกันเนี่ยนะมุ่งทําลายเขาอย่างเดียวก็คือคนเหล่านี้พึงแตกเป็นต่างกันแยกกันเป็นกกกันเป็นสองเหล่าสองพวกสองฝ่ายอย่างไรคือคนเหล่านี้พึงแตกกันไม่ปรองดองกันพึงอยู่ลําบากไม่ผาสุกบุคคลมีความประสงค์จะให้เขาแตกแยกกันเนี่ยก็เลยนําคําส่อเสียดเข้าไปให้เขาแตกแยกกันให้เขาร้าวรานกันให้เขาขาดความสมัครสมาสามัคคีกันเนี่ยนะ ประสงค์ทำลายเขาอย่างเดียวนะคำส่อเสียดนี้บุคคลใดละดัดขาดสงบประงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นไม่ประกอบไม่ประกอบทั่วไม่มาประกอบไม่มาตามประกอบพร้อมในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดเพราะฉะนั้นไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดนั่นเอง สรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วก็คือบุคคลเป็นผู้หลีกเร้นไม่หลอกลวงนะหลีกเร้นก็คือหลีกเร้นทางนะคือสละกิเลสไม่หลอกลวงก็ไม่หลอกลวงทางด้วยปัจจัยไม่หลอกลวงทางซ่องเสพปัจจัยนะไม่ลอกลวงทางอิริยาบถไม่หลอกลวงทางคาพูดเนี่ยนะลลยลลนนะแล้วก็ไม่ทะเยอทยานไม่ทะเยอทะยานก็คือไม่ปรารถนา ไม่ทเยอทะยานเป็นยังไงอ๋อตันหานะคือไม่มีตันหานั่นเองเรียกว่าไม่ทเยอทยานไม่ตรณีห้าอย่างไม่ขนองกายวาจาและขนองใจนะไม่เป็นที่รังเกียจคือไม่เป็นคนเลวนะไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาเสาะเยษทีนี้ขึ้นคำถามใหม่ว่าบุคคลผู้ไม่มีความยินดีในวัตถุเป็นที่ยินดีไม่ประกอบในความถือตัวจัดผู้ละเอียด มีปฏิพานไม่เชื่อใครๆและไม่คลายกำหนัดเนี่ยนะคุณธรรมของพระอรหันต์นะคือไม่มีความยินดีในวัตถุที่น่ายินดีอ่า น, นะเรียกว่าไม่มีตัณหาในปีรูปสาตรูปโดยประการทั้งปวงแล้สิ่งที่น่าพอใจทั้งหมดเนี่ยท่านไม่ไม่ยินดีไม่ไม่มีมานะนะไม่ถือตัวแล้วก็ละเอียดมีปฏิพาน แล้วก็ไม่เชื่อใครๆะนะใครที่ว่าฉุดกระชากลาบไปด้วยทิฐิเนี่ยท่านไม่เอาด้วยอ่ะแล้วก็เป็นผู้หมดตัณหาโดยประการทั้งปวงกามคุณห้าเรียกว่าวัตถุเป็นที่ยินดีเพราะเหตุว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยากได้ยินดีปรารถนารักใครพอใจในกามคุณห้าโดยส่วนมากเพราะฉะนั้นการมคุณห้าจึงเรียกว่าวัตถุที่น่ายินดีะนะ ก็สวยสวยเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆเนี่ยนะที่อยู่ที่ดีๆสัมผัสที่ดีๆอากาศที่ดีๆอะไรที่ดีๆทั้งหลายแหละเนี่ยก็เป็นที่ยินดีของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความยินดีคือความปรารถนานั้นอันชนเหล่าใดยังละไม่ได้ชนเหล่านั้นก็มีรูปปัตนหาหลั่งไหลไปเลื่อนไปเป็นไปในทางจักสุขนะคือชอบชอบสีเนี่ยนะก็ที่จะได้เห็นสี ได้เห็นรูปก็ต้องอาศัยตาเนี่ยนะฮัตันหาก็ไหลไปทวารตามีสัตธตันหาคือตันหาในเสียงเนี่ยหลังไหลไปเลื่อนไปเล่นไปเป็นไปทางหูมีตันหาในกลิ่นเนี่ยหลังไหลเลื่อนไปเป็นไปทางจมูกมีตันหาในรสเนี่ยหลังไหลเลื่อนไหลเป็นไปทางลิ้นมีโพธภาตันหาคือตันหาในโพธภาษเนี่ยหลังไหลเลื่อนไปเป็นไปทางกาย มีธรรมะตันหาเนี่ยหลังไหลเลื่อนไปเป็นไปทางใจฮั้นความยินดีคือความปรารถนานั้นอันชนเหล่าใดตัดขาดสงบประงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานชนเหล่านั้นก็ไม่มีตันหาหลังไหลเลื่อนไหลเป็นไปทางตาไม่มีตันหาในเสียงเนี่ยนะหลังไหลเลื่อนไปเป็นไปทางหูไม่มีตันหาในกลิ่นเนี่ยหลังไหลเลื่อนไป เป็นไปทางจมูกไม่มีตัณหาในรสเนี่ยหลังไหลเลื่อนไปอันเป็นไปทางลิ้นไม่มีตัณหาทางโพธภพะเนี่ยหลังไหลเลื่อนไปเป็นไปทางกายไม่มีตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะในธรรมอารมณ์เนี่ยหลังไหลเลื่อนไปเป็นไปทางใจเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ไม่มีความยินดีในวัต ถ, ถุที่น่ายินดีนะไม่มีตัณหาในอารมณ์6เลยเพราะว่าเป็นผู้กำจัดตัณหาในอารมห6ในทวารหได้เรียบร้อย ก็คําว่าไม่ประกอบในความดูหมินเนี่ยนะก็ไม่ไม่ดูหมิ่นทีนี้ที่ไม่ดูหมิ่นก็ต้องรู้จักว่าผู้ที่ดูหมิ่นเนี่ยเป็นยังไงดูหมิ่นดูถูกเหยียดย้มเนี่ยนะว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ดูหมิ่นผู้อื่นด้วยชาติด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยวิทยาฐานะด้วยศิลปะด้วยความรู้ด้วยความสามารถเนี่ยนะด้วยจากชาติตระกูลเป็นต้นหรือด้วยความเป็นผู้เนี่ยทรงพระไตรวิฎกด้วยความเป็นปฐุมสูตรเรียนมามากด้วยทุดง อ่ะ น, นะด้วยศีลด้วยวัดหรือว่าดูถูกด้วยสมถะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะหรือด้วยดูหมิน่นดูถูกด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งความถือตัวกิริยาที่ถือตัวความกำเริบความฟูขึ้นความถือตัวว่าตัวเองเนี่ยเหมือนธงชัยอ่ะนะความยกย่องตนความที่จิตใคร่เป็นดังว่าธงยอดเห็นบารนี้เรียกว่าความดูหมิ่ะ น, นะก็ทัศถือตัวเท่าไหร่ก็เท่ากับดูหมิ่นผู้อื่นเท่านั้นใช่ไหมอนนะยิ่งยิ่งเท่าไหร่ก็เท่ากับคนอื่นไม่อยู่ในสายตาเท่านั้นนะ เพ น, นความดูหมิ่นนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคล น, นั้นไม่ประกอบไม่ประกอบทั่วไม่มาประกอบไม่มาประกอบพร้อมไม่ดูมิในความดูหมิ่นฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่ประกอบในความดูหมิ่นคําว่าเป็นผู้ละเอียดนะนะ คำว่าผู้ละเอียดก็คือละเอียดเพราะประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมสติ ป, าาปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีพระโพชฌงอริยมรคมีองค์8ดอันละเอียดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ละเอียดอันผู้ละเอียดก็คือมีเนี่ยสุจริตทางกายวาจาและใจนะมีความสุจริตทางกายเนี่ยนะทางกายไม่ประกอบไปด้วยอกุศลวจีไม่ประกอบไปด้วยอากุศลมโนไม่ประกอบไปด้วยอากุศลพันก็สุจริตทางกายวาจาและใจ นะตั้งมั่นอยู่ในโพธิปักขยธรรม37คือสติประธานสมรภ์ประธานอิทิบาตอินทรีย์พระโพชองอริยมรรคเนี่ยนะที่ละเอียดนะฮะผู้ที่มีคุณธรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ละเอียดคําว่ามีปฏิพาณเนี่ยนะก็คือมีปฏิพานสามจำพวกบุคคลมีปฏิพานนี่มีสามประเภทบุคคลมีปฏิพานเพราะปริยัตอย่างหนึ่งบุคคลมีปริพานปฏิพานเพราะปริปุจชาคือการสอบถามเนี่ยอย่างหนึ่ง บุคคลมีปฏิพานเพราะอาธิคมคือการบรรลุมรรคผลเนี่ยอย่างหนึ่งถามว่าบุคคลมีปฏิพานเพราะปริยัติเนี่ยเป็นฉะไห น, น, นก็คือบุคคลบางคนในาศาสนานี้เล่าเรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎก น, น, นะนะพระไตรปิฎกหรือธรรมวินัยเรียนนิกายห้าหรือเรียนคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เก้าคือสุตตะเคยะวยาการณาคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทะะ ญาณของบุคคลนั้นย่อมแจ่มแจ้งเพราะอาศัยปริยัติบุคคลนี้ชื่อว่ามีปฏิพานเพราะปริยัติเนี่ยนะมันเพราะเรียนปริยัตมากจึงทาให้มีปฏิพานเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาอาศัยการเรียนนะนะส่วนบุคคลมีปฏิพานเพราะปริปุชฌาคือการสอบถามเนี่ยเป็นฉนหนก็คือบุคคลบางคนในในศาสนานี้เป็นผู้ไต่ถามประโยชน์ตนนะ ในประโยชน์ที่ควรรู้สอบถามในลักษณะสอบถามในเหตุสอบถามในฐ า, านะและอาถรณะญาณของบุคคล น, นั้นย่อมเจ็มแจ้งเพราะอาศัยการไต่ถามนั้นท่านนี้เรียกว่าเป็นผู้มีปฏิพานเพราะปริปุชานั่นนะเรียกว่าอาศัยรู้จักถามฉลาดในการสอบถามก็เลยกลายทําให้เป็นคนเก่งนั่นเองตั้งโจทย์เป็นนั้นเมื่อไต่าถามเป็นไปถามคนที่ควรถามไปถามคนที่มีสติมีปัญญามีความรู้ก็เลยกลายเป็นคนฉลาด เพราะว่าอาการจะถามก็ต้องมีผู้ตอบใช่หมเมื่อถามก็ต้องไปถามคนที่ฉลาดกว่าเมื่อซ่องเสพคบหาสมาคมเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉลาดก็เลยทาให้เป็นผู้ที่มีปฏิพานส่วนบุคคลมีปฏิพานเพราะที่คมเนี่ยเป็นไงนะคือบุคคลบางคนในโลกนี้คือในศาสนานี้เป็นผู้บรรลุธรรมทั้งหลายคือบรรลุสติปัญสี่สัมมาปัญาน4อิทิบาทีอินสีห้าพรละหโพชฌงเจ็อรยิยมรคมีองค์แด สามัญญผลสี่คือโสดาปฏิพลสกท า, าคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลได้ปฏิสัมพิทาสี่ได้อภิญยาหกบุคคล น, นั้นรู้อัดเช่นรู้ทุกขสัตว์รู้นิโรสัตว์รู้ธรรมคือสมุทัยสัตว์รู้มรรคสัตว์เนี่ยนะรู้นิรุตคือการเอามาแสดงเมื่อรู้อัดอัดก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้ธรรมธรรมก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุตนิรุตติก็แจ่มแจ้งญาณในอัดธรรมและนิรุตทั้งสานี้ชื่อว่าปฏิภาณนะปฏิสัมพิทา บุคคลใดเข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบแล้วด้วยปฏิพานปฏิสัมพิธานี้บุคคลใดอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปฏิพานเพราะการบรรลุ่นะส่วนบุคคลที่ไม่มีปริญต์คือไม่ได้เรียนอะไรมาเลยไม่มีการสอบถามคือปริปุชาไม่บรรลุมรรคผลยานอะไรเล่าจะแจ่มแจ้งแก่บุคคลนั้น เรียนก็ไม่เรียนถามก็ไม่ถามบรรลุก็ไม่ได้อะไรสักอย่างทีเหลืออะไรก็ได้แต่ความโง่เขลาไปนะนั่นก็เลยเรียกว่าอะไรจะไปแจมแจ้งปัญญาอะไรจะเกิดเนี่ยนะคำนวณว่าไฟก็ไม่เปิดเนี่ยนะเทียนก็ไม่จุดแล้วมันจะเอาสว่างมาจากไหนเป็นตอนเนี่ยความสว่างก็เกิดไม่ได้งั้นปฏิพานเนี่ยนะปฏิพานอย่างที่หนึ่งก็เพราะการเล่าเรียนอย่างที่สองก็เพราะการสอบถามอย่างที่สามก็เพราะการบรรลุมรรคผล เรียกว่าเป็นผู้มีปฏิภาณคำว่าไม่เชื่อใครๆเนี่ยนะคำว่าไม่เชื่อใครก็คือภิกษุนั้นย่อมไม่เชื่อธรรมะที่รู้ยิ่งด้วยตนเองอันประจักษ์แก่ตนเองต่อใครๆอื่น น, น, นะต้องถ้าบรรลุอริยสัจแล้วต้องเชื่อใครไหมในเรื่องอริยสัจไม่ต้องนนเนี่ยนะผู้อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมก็คือไม่เชื่อธรรมะที่รู้ยิ่งด้วยตนเอง อันประจักษ์ด้วยตนเองว่าสังขารทั้งปวงเป็นไม่เที่ยงเนี่ยนะเจริญวิปัสนาเห็นอนิจจานุปัสนาอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะจนบรรลุมรรคผลเพราะการเห็นไม่เที่ยงเนี่ยต้องเชื่อผู้อื่นไหมเนี่ยนะเจริญทุกขานุปัสนาเนี่ยนะสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายยตนาสลายยตนาเป็นปัจจัยแก่ ภาษาภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพภพบเป็นปัจจัยแก่ชาติชาติเป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะ